อันนี้ก็เห็นได้จากหลักธรรมเรื่องอินสีย์5อินสีหเนี่ยคือว่าท ร, รมาที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่ควรเป็นใหญ่อินสีนี่แปลว่าเป็นใหญ่จะมีอยู่2คู่นะคือศรัทธาและปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิศรัทธานี่ถ้ามีมากไปปัญญาน้อยก็ไอ่ทำให้งมงายได้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 ครึ่งหนึ่ง3ใน4หรือถ้าดีวส่คือว่าให้สติเจริญเต็มที่ว่าถ้าสติเจริญเต็มที่แล้วนี้ก็สามารถที่จะพาให้จิตของเราเนี่เป็นอิสระจากความทุก์จากกองทุกสิ้นทั้งมวลได้ทําให้เราตื่นจากความหลงขั้นพื้นฐานคือความหลงหรืออวิชาที่ยึดถือสิ่งต่างๆยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆ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 เคยเจอเชื้อโรคอย่างนี้มาก่อนจะจำได้งั้นพอเข้ามาอีกทีแล้วก็สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคนะั้นเอาไปได้แต่ถ้าเป็นเชื้อตัวใหม่ๆ ม, มาเนี่ยนะภูมิคุ้มกันนี่เอาไม่อยู่เลยเพราะไม่เคยเจอจำไม่ได้คนรั้นที่จะเจอหวัดนกหรือซาหรือไข้หวัดชนิดใหม่เข้ามานี่ก็เสร็จก็จะป่วยทันทีภูมิคุ้มกันมันจาไม่ได้เพราะมันไม่เคยเจอ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 มันก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆใช้ขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนไอ้วิดีโอหรือว่าซีดีนะฉายไปฉายไปมันยิ่งพร่ายิ่งเลือน <c oughs> แต่ไอ้ความจําของเราเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งนึกซ้ําไปซ้ามา ก, ก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ทิ่มแทงใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่แล้เราปล่อยให้ทำเช่นนี้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะเราไม่รู้ตัว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 สามารถจะช่วยตัวเราเองได้คือพึ่งตนเองได้โดยการฝึกสติเอาไว้ให้สติของเราไวพอที่จะมาเตือนเราได้เหมือนกับสัญญาณกันขโมยที่เพียงแค่คนนี้จะเป็นใครก็ตามจะเป็นโจรก็ตามจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามเปิดประตูเข้ามาในบ้านสัญญาณกันขโมยก็ส่งเสียงบอกเรา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 ถ้าเราเผลอไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้เหมือนกับเพื่อนมาแล้วก็ดีใจคนมาอยู่วัดเนี่ยเวลาเพื่อนมาโอ้ดีใจมากเลยแต่ยิ่งดีใจมากเท่าไหร่ก็เสียใจมากเท่านั้นพอถึงเวลาเพื่อนไปก็หงอยตั้มามาใหม่ๆที่นี่เวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพนี่ดีใจแต่พอเพื่อนไปนี่วันนั้นทั้งวันก็หงอยไปเลยเศร้าซึมแล้วก็จับตอนหลังก็จับได้วันนี้เป็นพราะเราไปดีใจ ถ้าเราไม่อยากงอยไม่อยากเหงาไม่อยากเศร้าซึมก็อย่าไปดีใจมากเวลาเพื่อนมาอย่างสตินี่ทำหน้าที่นี้คือช่วยเตือนให้เรารู้ทั้งอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบนะรู้ทั้งอาการฟูและอาการแฟบรู้แล้ววางนะฟูนี่ก็ไม่ดีนะดีใจนี่เราไปยึดมันก็ไม่ดีนะไปคุกเข้าครอเคเรียกมันก็ไม่ดีพอถึงเวลามันสางไปมันซาไปก็เศร้าเสียใจนะคนที่หัวเลาะ ดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นมันคู่กันพระเจ้าตรัจว่าเนี่ยคนที่คนที่เพลิดเพลินย่อมประสบความทุกข์คือความเพลิดเพลินความทุกข์มันไปด้วยกันคนทุกข์ก็คือคนที่เคยเพลิดเพลินมาก่อนเพลิดเพลินวันนี้ก็ต้องทุกวันหน้ามันของคู่กันดังนั้นการที่รู้จักอาการฟูและอาการแฟบของจิตนี่มันต้องรู้คู่กันไปไม่ใช่รู้แต่เฉพาะอาการแฟบหรือว่าความทุกข์หรืออกุศลเท่านั้น